เราแต่ละคนมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกใจมากมายบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เพิ่มสีสันให้กับชีวิตเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่ไพเราะหนังที่สนุกไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะหรือว่าสาหรับคาราวา่าก็จัดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขอย่างหนึ่ง ตใดที่มันเป็นความสุขที่ชอบธรรมก็ไม่ควรปฏิเสธนะพระเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยไม่ควรปฏิเสธไม่ควรปฏิเสธความสุขที่ชอบธทมความหมายคือว่าเอามาได้โดยชอบรรมไม่ได้ไปเอาเปรียบเบียเดเบียนใครไม่ไปรักขโมวนใครแต่ว่าเราก็ควรจะดูแลใจของเราไม่ให้ ไปหลงติดหรือสยบมัวเมาในความสุขเหล่านั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดโทษถ้าเราพิจารณาดูนะสิ่งที่ทำร้ายเราเนี่ยส่วนใหญ่คือสิ่งที่เราชอบทั้งนั้นแหละหลายคนเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจก็เพราะอะไรก็เพราะชอบกินของที่ชอบที่อร่อยที่มีน้ำตาลมีไขมันเนื้อสัตว์ไอศครีมช็อกโกแลตนะของหวาน คือบางทีก็ของเค็มไอ้ของที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยทําร้ายเราเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยอยากจะแตะต้องมันจริงของที่เราชอบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทําร้ายเราก็ได้นะถ้าเรารู้จักประมาณรู้จักความพอดีพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้แล้วนะว่าเราต้องรู้จักถ้าอยากมีอายุที่ยืนยาวก็ต้องรู้จักทําความสบายให้แก่ตัวเอง แต่ท่านก็แนะเพิ่มอีกว่าให้รู้จักประมาณในความสบายความสบายก็เป็นของที่เราชอบเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยเอาแต่นั่งนั่ง น, งนอนๆอนเพราะมันสบายนี่แม่แต่เดินก็ยังไม่ยอมเดินใช้แต่ลิฟต์นะแทนที่จะขึ้นบันไดอย่างนี้เลยว่าไม่รู้จักประมาณในความสบาย สิ่งทเกิดขึ้นก็คืออะไรนะคือโรคภัยไข้เจ็บโรคเบาหวานโรคหัวใจหลายคนเนี่ยชีวิตเนี่ยตกต่ำย่ำแย่ก็เพราะเกมออนไลน์เกมออนไลน์เป็นสิ่งที่เขาชอบแต่พอชอบแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักประมาณหรือว่าเกิดความหลงติดมัวเมาในสิ่งนั้นคนที่ไม่ชอบเกมออนไลน์เนี่ยก็ไม่เคยเดือดร้อนเพราะเกมออนไลน์เลย เมือคนที่ไม่ชอบกาแฟเนี่ยชีวิตเขาก็ไม่เคยถูกกาแฟทำร้ายเลยแต่คนที่ถูกกาแฟทำร้ายคือใครก็คือคนที่ชอบกาแฟยิ่งชอบกาแฟก็ยิ่งต้องนะเจอกับโรคภัยไข้เจ็บหรือผลกระทบจากกาแฟไม่ต้องพูดถึงบุรีเหล้านะอันนั้นตัดทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าจะว่าไปมันก็เป็นความสุขที่ไม่ชอบทำก็ว่าได้นะรวนทั้ง การพนันะัะนั้นแม้เราจะไม่ควรปฏิเสธความสุขที่ชอบทำความสุขที่เกิดจากการเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ก็ควรจะรู้จักประมาณหรือว่าไม่หลงติดสยบมัวเมาซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยเสพแต่พอดีไม่ห่าถึงว่าจะเป็นอาหารอร่อยถูกปาก นะหรือว่าความบันเทิงเริงรมที่มันช่วยผ่อนคลายเพิ่มสีสันกับชีวิตหรือแม้กระทั่งการดูหนังพวกนี้ถ้าเรารู้จักประมาณเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดโทษกับชีวิตของเราน้อยลง การที่เราจะรู้จักประมาณหรือไม่หลงติดในสิ่งนั้นได้เนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือสตินะมันถ้าเราไม่มีสติรู้สติขาดไปเนี่ยไอสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ถูกใจนี่มันสุดท้ายมันก็จะมาทํา้ายเราจริงจริงมันไม่ได้ทำร้ายเราหรอกนะแต่เป็นเพราะเราไม่รู้จักประมาณเราเสพอย่างขาดสติเพราะว่าเพลินในความมัน็อร่อยมันมีความมันมีสิ่งที่ชอบ ือสิ่งที่ถูกใจเราอีกประเภทหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่มสิทธิ์สารกับชีวิตแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเช่ น, นอะไรเช่นความสำเร็จในการทำงานหรือ ว, ว่าเป็นการทำงานที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือว่าสุขภาพเนี่ยคล้ายๆก็ชอบมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย หรือการที่มีลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่อยู่เย็นเป็นสุ ข, นะ น, น, สขนะนี่คือสิ่งที่ใคยๆก็ชอบแล้วก็มีคุณค่าด้วยในะสิ่งที่ชอบแบบนี้เนี่ยมันมันต้องเกิดจากการกระทำนะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศาัยความภาคเพียรรวมทั้งการรู้จัก สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้องจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างนี้คนก็สนใจมากนะเรื่องความสำเร็จนังสือประเภท how to ที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการงานนี่ก็ขายดีสุขภาพดีก็เหมือนกันนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ชอบนะก็ต้องอาศัยการกระทำเนะช่นการออกการลังกายนะการควบคุมอาหารการพักผ่อนแต่พอเพียงการที่ ลูกหลานของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขมีอนาคตมันก็ต้องอาศัยการดูแลใส่ใจของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยสาหรับสังคมยุปัจจุบันเพราะว่าการงานมันดึงเวลาและพลังงานไปจากเราเยอะและบางทีก็รวมทั้งความสุขที่เป็นสีสันของชีวิตเนี่ยแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ซึงสร้างความเพลินให้กับผู้คนก็ทําให้พ่อแม่กับลูกเหินห่างกันนะหรือลูกก็เหินห่างจากพ่อแม่ไม่ต้องใส่สติเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่มีเวลาให้กับการดูแลคนที่เรารักหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพของตัวเราเองเพราะเอาแต่หมกมุ่นกับงานการ นะหรือว่าเพลินกับความสุขสนุกสนานดูซีรีส์ทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ต้องลุกขึ้นไปทำงานเป็นอย่างนี้เนี่ยสองสามอาทิตย์ติดต่อกันมันก็แย่เท่านั้นแหละนอกจากสุขภาพแย่เรายังไม่มีเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับพ่อแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะ จึงจะทำให้เราเนี่ยได้รับสิ่งที่ชอบสิ่งที่พึงประสงค์ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องอาศัยความเพียรความพยายามความระมัดระวังความไม่ประมาทการจัดสรรเวลาซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นปัญหาของคน มากมายเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดเวลาแบ่งเวลาได้นวจึงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะสามารถทำความเพียรจนกระทั่งหแลวก็สร้างเหตุปัจจัยจนกระทั่งได้รับหรือประสบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ประสงค์ได้แต่ ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในการงานไม่ว่าเราจะมีสุขภาพดีนะไม่ว่าเราจะมีลูกหลานพ่อแม่ญาติมิตรนะห้อมร้อมทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่มันก็จะมีช่วนะงเวลาที่มันไม่เป็นไปดังใจเรา ทำงานประสบความสําเร็จอย่างไรนะท้ายก็ต้องเจอความล้มเหลวไม่ใช่แค่เจอประสแต่เจอความล้มเหลวดูแลสุขภาพดียังไงก็ต้องเจอความเจ็บความป่วยดูแลพ่อแม่ใส่ใจลูกหลานยังไงก็อาจจะมีวันหนึ่งที่คนเหล่านั้นหรือบางคนเนี่ยล้มหายตายจากไปหรือว่าเกิดเมียนเป็นไป เจ็บป่วยไอ้สิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราล้วนไม่ชอบแต่เราก็ต้องเจออยู่วันยังค่ำไม่ช้าก็เร็วนั้นการที่คนเราเนี่ยจะจะคิดถึงเรื่องการบรรลุถึงสิ่งที่ปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอ แต่ต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ถูกใจด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเตรียมตัวมาเฉพาะการทำตนให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจรับมือกับความล้มเหลว หลายคนแม้จะเอาใจใส่สุขภาพดีแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือการที่ไม่ได้เตรียมใจรับมือความเจ็บป่วยแม้จะดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหลานดีให้เวลากับท่านให้เวลากับเขาแต่น้อยคนนั้นที่เตรียมใจรับมือนะกับความกับการจากไปหรือการมีนเป็นไปของคนเหล่านั้น ว่าปไปแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถจะบรรลุถึงสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ประสงค์เนี่ยแม้เป็นเป็นเรื่องยากแล้วนะแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการที่เราจะทำใจเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเอางจาสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามันก็ไม่ได้มีเท่านี้นะมันมีอีกเยอะบางอย่างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่น รถติดถึงที่หมายช้าบ้านพักไม่สะอาดหรือไม่สะดวกหรือว่าบ้านเราเองนะมันมีปัญหาท่อแตกนะแกสแะ๊สรั่วรวพัดการที่คนเราเนี่ยจะนึกถึงแต่ว่าทำยังไงเราจะประสบ ความสำเร็จหรือว่าได้พบกับสิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันยังไม่พอนะเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราด้วยในการที่เราจะเข้าถึงหรือบรรลุถึงสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ต้องประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะแม้ความสำเร็จในการงานการมีสุขภาพดี การมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่ามีคนรักห้อมร้อมแต่แม้ยากแล้วเนี่ยสิ่งที่ยากกว่าคือการที่เราสามารถที่จะรับมือหรือเตรียมใจรับมือกับไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเราได้ซึ่งถ้าทางพระเราก็เรียกวมหมว่าโลกธรรมายลบโลกธรรมไฟเบอกคือได้รับได้ยศได้สุขสารเสริญโลกธรรมายลบก็ตรงข้าม แต่มันมากกว่าเสื่อมยศเสื่อมลาภนะหรือว่าคาต่อว่าด่าทอเรียกรวมก็คือสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราต้องฝึกใจไว้นะฝึกใจที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ซึ่งจะฝึกใจได้เนี่ยมันก็ต้องมีสองอย่างสำคัญนะคือสติแล้วก็ปัญญาปัญญาช่วยทำให้เราเนี่ยตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิต แล้วก็ไม่หลงติดในสิ่งดีๆที่มีอยู่ไม่ว่าสิ่งที่มีอยู่กับเรานั่นเนี่ยมันจะดีอย่างไรแต่มันจะดูมม่นมันคงแน่นหนาอย่างไรแต่มันก็ล้นแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความสำเร็จก็อ จ, จะแปลเป็นความล้มเหลวนะสำเร็จในวันนี้แต่ล้มเหลววันหน้าเหมือนกับร่ำรวยวันนี้แต่ว่ายากจนในวันหน้า สุขภาพดีวันนี้เจ็บป่วยวันหน้าหรือว่ามีคนรักห้อมร้อมแต่ก็ต้องสูญเสียเข้าไปในวันหน้าอย่างที่เราสวดทุกวันนั้นนะทุกชาเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนี่เป็นคำเตือนใจให้เราไม่ประมาทเราจะตระหนักถึงความไม่เที่ยงแล้วก็ เราจะไม่ประมาทได้ก็ต้องเมื่อเราตั้งหนักถึงความไม่เที่ยงคือมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตโดยเพราะความไม่เที่ยงที่เราอนิจจังแต่ที่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือสตินะสติที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปเพลินหลงเพลินกับสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แม้จากสิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จการมีสุขภาพดีการมีคนรักอยู่รอบตัว ถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ไม่หลงเพลินเราจะตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่ก็เป็นชื่อหนึ่งของสตินะซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการมีปัญญาเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของโลกความไม่เที่ยงของชีวิตและสติที่สำคัญอย่างกนะ็คือทําให้เราสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้การยอมรับนี่สำคัญนะเพราะถ้าเรายอมรับไม่ได้เราโวยวายตีโพยตีพายคร่ำครวญ มันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับเราเรียกว่าซ้าเติมทุกข์ให้กับเราแทนที่จะเสียแค่ทรัพย์มันก็จะเสียอย่างอื่นด้วยเช่นเสียอกเสียใจแทนที่จะเสียแต่คนที่เรารักนะบางทีอาจจะเสียคนอื่นที่ยังมีอยู่ก็ได้อย่างเช่น บางคนเนี่ยเสียสามีทําใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่สามีจากไปโทษว่าตัวเองผิดพลาดที่ไม่ดูแลสามีเพียงพอ น, นึกประมาทว่าคงไม่เป็นอะไรแสดงที่ตัวเองทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้คนข้าใจใส่สามีจนทั้งสามีเป็นโรคร้ายแล้วตายอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนทั้งเศร้าเสีสยใจและรู้สึกผิดยอมรับไม่ได้ที่สามีจากไป ทุกวันก็จะทำอาหารมาวางไว้ตรงโต๊ะที่สามีนั่งอยู่เป็นประจำแล้วก็โทรศัพท์เข้าเบอร์ของสามนะีเพื่อได้ฟังเสียงจากเครื่องตอบรับฟังเสียงสามีเสมือนว่าสามียังมีชีวิตอยู่จมอยู่กับเรื่องนี้จนลืมไปเลย ว, ว่าตัวเองมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอายุสิบสอง ไม่ได้สนใจลูกสาวเลยนะจมอยู่กับนะความสูญเสียสามีจมอยู่ความเศร้าก็กลายเป็นว่าเนี่ยน่ากลัวว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เสียแค่สามีต่อจะเสียลูกด้วยหรือบางคนก็อาจจะเสียใจที่พ่อจากไปจนลืมแม่แล้วพอแม่จากไปก็จะมาเสียใจว่าโหตอนที่แม่อยู่นี่เรา ไม่ได้ใส่ใจท่านเลยทำไมถึงไม่ใส่ใจเพราะว่าอาจจะเสียใจพ่อหรือบางทีเสียใจลูกที่จากไปไอ้การไม่ยอมรับความจริงเนี่ยที่เจ็บปวดเนี่ยหรือไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ชอบเนี่ยมันสามารถจะซ้าเติมเราให้ทุกข์หนักขึ้นไม่ใช่แค่ทุกข์ใจอย่างเดียวบางทีอาจจะทุกข์อย่างอื่นก็ได้เพราะในั้นแหการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจำเป็นมากและการที่เราจะยอมรับได้เนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญและเราสามารถฝึกได้นะฝึกสติเนี่ยการที่เรามาฝึกจิตเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับการที่เราจะเผชิญกับชีวิตในวันข้างหน้าในด้านหนึ่งสติก็ทาใหเรามีความเพียรสามารถจะบรรลุถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราปรารถนาได้ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะเผชิญสิ่งที่ตรงข้ามถ้าเรามาฝึกสติเนี่ยนะโดยที่เรียนรู้ที่จะพร้อมรับมือนะกับทุกความคิดทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดบวกหรือความคิดลบความคิดที่เป็นกุศลหรือความที่แบบกุศลมันจะช่วยทำให้เราเนี่ย มีความพร้อมในทางจิตนะที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกใจได้เ้เราเรียนรู้ที่จะฝึกให้รู้จักรู้ซื่อๆนะหรือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันะทำไมการจดจิตจึงสำคัญนะต่อชีวิตของเราก็เพราะว่ามันจะถ้วยทำให้เราเนี่ยนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบเราก็ไม่หรือไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจเรา หรือแม้แต่กายเราเราก็เรียนรู้ที่จะรู้ซื่อๆรู้โดยไม่ให้ผักสายไม่ไหลาตามซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจของบางคนนะที่ว่าจะมาปฏิบัติเพื่อความสงบไอ้ความสงบนี่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบนะเป็นสิ่งที่เราถูกใจและการที่คนเราเนี่ยจะปฏิบัติจนพบความสงบในใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการที่เราจะยอมรับความไม่สงบในใจปัญหาของนักปฏิบัติจำนวนมากคือเวลามีความสงบเกิดขึ้นก็ยินดีแต่พอเกิดความไม่สงบขึ้นมาหรือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ใจก็กระเพื่อมไม่สามารถที่จะรับมือกับ สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภายนอกหรือเกิดขึ้นในใจของเราได้นีวิชาคนหนึ่งเนี่ยมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมเนี่ยหนึ่งวันนะและตอนที่เข้าคอสทั้งเช้าและเย็นเนี่ยเช้าบ่ายแล้วก็เย็นเนี่ยใจสงบมากเลยเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงรบกวนทุกคนก็ปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสียงโทรศัพท์ดัง ทุกคนปิดปากไม่พูดอะไรใจสงบมากเลยพอปิดคอสเนี่ยสี่หรือห้าโมงเย็นเดินไปที่รถเพื่อจะขับรถกลับบ้านเพราะว่าไปเจอรถอีกคันหนึ่งเนี่ยมันจอดซ้อนข้างหน้าข้างหลังก็มีรถจอดอยู่ข้างๆยังมีรถอีกคันซ้อนอีกโกโกรธมากเลยนะ เพราะว่ามันเป็นความไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เข้าท่าเลยแกโรกรธจนกระทั่งตะโกนด่าเลยนะเจ้าของรถซึ่งไม่รู้เป็นใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยใครว่ามาจอดตรงนั้นผลที่เป็นเหตุการณ์ก็ตกใจเลยเยนี่เพิ่งปฏิบัติธรรมมาทำไมจึงอารมณ์รุนแรงแบบนี้แลวมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนนะ หลายคนบอกเนี่ยทำไมฉันนั่งสมาธิมาต้องหลายปีแล้วแต่ทำไมยังเจ้าอารมณ์ยังยังมีโทสะแรงอันนี้บางทีคนที่อยู่แวดลอ้อมเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพ่อแม่นั่งทำสมาธิมาต้องนานทำไมจึงอารมณ์รุนแรงเวลากลับจากคอสทีไลลูกๆเตรียมงานเข้าเลยนะเพราะว่าแม่จะบ่นไว้ อย่างง้นอย่างนี้ไอตอนไม่เข้าคอนนี่แม่ไม่ค่อยบน่นเท่าไหร่แต่พอกลับเจ้ากคอนี่จะบ่นมากเลยบางครั้ก็บอกเนี่ยพ่อเนี่ยเวลาไม่เข้าคอนก็แค่ว่าแค่บน่นแต่พอกลับเจ้ากคอนี่เทศเลยยาวก็สงสัยทําไมเข้าคอแล้วออกมาเป็นอย่างนี้นะก็เพราะว่าเขาเป็นเน้นเรื่องความสงบเนี่ยพอได้ความสงบแล้วก็ชอบติดใจ แต่ไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะยอมรับเผชิญกับความไม่สงบหรือสิ่งที่ไม่ถูกใจการที่จะปฏิบัติเพื่อได้สิ่งที่ถูกใจนี่ยากนะปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งที่ชอบนี่ยากแต่ที่ยากกว่าคือการยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจปฏิบัติเพื่อความให้ได้ความสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่ายอมรับความไม่สงบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเป็นความไม่สงบที่เกิดจากภายนอกหรือเกิดขึ้นในใจอย่างผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะพอเจอความไม่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยรถของตัวเองออกไม่ได้เพราะถูกจอดซ้อนคันนสติแตกเลยเพราะว่าฝึกมาแต่ว่าทำให้ใจสงบประสบสิ่งที่ชอบแต่ว่าไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ฝึกใจให้เจอกับหรือรับมือกับสิ่งที่ไม่ชอบ ด้วยใจที่สงบดันการที่คนเราเนี่ยนะฝึกจิตให้สงบเนี่ยดีแล้วนะแต่ว่าจะต้องควรไปขั้นคือสามารถที่จะยอมรับความไม่สงบก็ได้ไม่งั้นจะมีปัญหานะอย่างพระบางรูปเนี่ยเวลามาปฏิบัติแล้วเนี่ยโหมันฟุ้งมากเลยท า, ายังไงใจก็ฟุ้ง หมุนหงิดลำคัญใจใจเป็นไงใจก็ไม่สงบยิ่งฟุ้งก็ยิ่งโกรธตัวเองยิ่งหงุดหงิดสุดท้ายก็เอาลองทัดแตะฟาดหัวตัวเองทำไมมีคิดมากอย่างนี้ทำไมมีคิดมากอย่างนี้ฝรั่งบางคนเนี่ยจิตมันไม่สงบโหยทนไม่ได้เอามือทุบออกตัวเองบ๊บบึบบึบบ๊ บ, บ, บคนที่อยู่รอบข้างตกใจเลยนี่เวลาปฏิบัต เดี๋แล้วคนที่ไม่ปฏิบัติเขาไม่เห็นทำขนาดนี้เลยแต่พอปฏิบัติทำไมถึงลืมตัวขนาดนั้นเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สงบที่เกิดขึ้นในใจไอการที่จะเข้าถึงความสงบเนี่ยยากแต่การที่จะยอมรับความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยยากกว่าแต่จำเป็นนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเจอสิ่งที่ถูกใจ สิ่งที่ชอบเสมอไปแม้เราจะเพียงพยายามยังไงก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ต้องเรียนรู้จักฝึกนะที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้และวิชา ท, ที่ช่วยได้มากคือการรู้สื่อสื่อรู้สื่อสื่อรู้ดึกใจที่เป็นกลางรู้โดยไม่ตัดสินคือแค่เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ย ความไม่สงบเกิดขึ้นก็รู้ความงุนี่เกิดขึ้นก็รู้รู้ซื่อๆแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจซึ่งจะช่วยได้มากนะถึงเวลาที่เกิดความเจ็บความปวดเกิดทุกขเวทนาขึ้นนะโอ้มันจะช่วยได้เยอะเลยบางคนเนี่ยมีนักปฏิบัติบางคนเนี่ ย, ก, บาบานนยก็ฝึกมากอย่างดีนะ ฝึกจิตให้สงบแต่พอป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยจิตมันไม่สงบเป็นทุกข์มากรลอว่าทำไมฉันปฏิบัติเนี่ยมันจึงไม่สงบเลยเขาไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดเ <reb ounds> ท่านั้นนะเขาทุกข์เพราะว่าผิดหวังที่ว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันล้มเหลวล้มเหลวยังไงล้มเหลวคือว่าใจไม่สงบ ผิดหวังผิดหวังกับตัวเองผิดพวังการปฏิบัติก็เรียกว่าเจอลูกธนูหลายดอกนะธนูดอกแรกคือความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางกายธนูดอกที่สองคือความทุกขใจที่มันหงุดหงิดที่มันที่มันไม่สมหวังและธนูดอกที่สามคือความผิดหวังในตัวเองก็เรียกว่าทรมานมากนะแต่ถ้าเกิดว่า รู้จักฝึกใจเนาะเออเจ็บป่วยก็ทำไงเราจะเห็นไม่เข้าไปเป็นมันแล้วมันเกิดความผิดหวังขึ้นมาว่าทำไมเราปฏิบัติแล้วมันจึงยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความว้าวุ่นอยู่ก็เห็นมันยอมรับความหางุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับยอมรับมันหมดเพราะว่าถูกฝึกมาเพื่อที่จะยอมรับกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจ ด้วยวิชารู้ซื่ อ, อหรือว่าเห็นไม่เขาไปเป็นอย่างหลวงปู่บุตรานะเคยไปผ่าเอานิ้วออกผ่าเสร็จเนี่ยท่านบอกหมอว่าไม่เป็นแล้วเขาเริ่ชั่วแล้วคือจะกลับวัดแล้วหมอพยาบาลก็แปลกใจถามว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเหรอคนอื่นก็าผ่านิดเดียวเยังว่าเจ็บเลยหลวงปูท่ทำงไ น, นไม่เจ็บ หลวงปู่บอกว่าร่างกายหลวงปู่เหมือนคนธรรมดาทําไมจะไม่เจ็บแต่กแต่ใจไม่ได้เจ็บไปกับกายด้วยใจไม่ได้เจ็บไปกับกายไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไม่เจ็บนะบางคนไปเข้าใจปฏิบัติแล้วเนี่ยออมันต้องไม่เจ็บถ้าคิดแบบนี้นี่นะเตรียมผิดหวังได้เลยปัญหาแต่ปัญหาคือว่าพอมีสติมีปัญญาเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าเจ็บนี่เป็นแค่กายแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วย เพราะหนึ่งไม่ได้ยึดกายว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นเพราะมีปัญญาสองเพราะมีสติเห็นว่าเนี่ยเห็นความปวดไม่ใช่ผู้เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดอย่างที่หลวงพ่อเขียงเคยบอกว่าเนี่ยความปวดมันไม่ได้ลงโทษเราความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราความปวดมีไว้เห็นมีมีไว้เห็นมีไม่ใช่เข้าไปเป็น ในวิชารู้ซื่อซื่อวิชาเห็นไม่ค่อยเปลี่ยนนี่สาคัญมากเลยที่ช่วยทําให้เราละมือกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจได้อย่างที่บอกนะการทำความเพียรเพื่อประสบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกใจนี่ยากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการวางใจเป็นกลางหรือยอมรับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ถูกใจเราไอ้วิชานี้สําคัญมากนะพะสุดท้ายเราก็ต้องเจอไม่มากก็น้อยนะ ไม่ช้าก็เร็วเพราะนั้นฝึกเอาไว้นะการการการเจริญสติไม่ใช่เพื่อให้สงบอย่างเดียวนะแต่แม้ไม่สงบก็ยอมรับได้เดรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สงบอยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกใจด้วยใจที่ไม่ทุกข์รถติดจิต ก, ก็ไม่ตกนะไม่ว่าเจออะไร คำต่อว่าด่าทอมากระทบนะก็ใจก็ยังสงบได้ไม่ใช่สงบเพราะไม่มีใครว่าไม่ใช่สงบเพราะไม่มีเสียงกระทบหูแต่เพราะว่ามีสติังหานะ่างจึงไม่ปล่อยให้อารมณ์อกุศลมันครอบงาจิตรู้ทันมันนะแล้วก็เห็นมันแล้วก็วางมันลงได้